สสมาธปนาจูงใจให้เห็นจริงด้วยชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับและนำไปปฏิบัติ 3. สมุเตชนาเราใจให้กล้ากล้าบังเกิดกำลังใจหลุใจมีอุตสาหะแข็งขันมั่นใจว่าจะทำให้สำเร็จได้ไม่หวั่นระยอต่อความเหนื่อยยาก สีัมปหังสนาฉลมใจให้แช่มชื่นร่าเริงเบิกบานฟังไม่เบื่อและเปี่ยมด้วยความหวังเพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติอาจผูกเป็นคำสั้นๆว่าแจ่มแจ้งจงใจกล้าวกล้าร่าเริงหรือชี้ชัดเชิญชวนคึกคัก เบิกบาน